alabadnahu bilara'i wa huwa saqim wa anbatna 'alayhi shajaratan min yaqtin lao rao dai wiang khao khuen bon thi long rim fang nai saphab thi puat lao rao dai mi phan mai lueai เป็นน้ำเต่างอกขึ้นปกคลุมตัวเขาแล้วเราได้ส่งเขาไปยังหมู่บ้านของเขาที่มีจํานวนแสนคนหรือเกินกว่านั้นแล้วพวกเขาก็ศรัทธา ดังนั้นเราจึงปล่อยพวกเขามีความสุขสําราญชั่วระยะเวลาหนึ่งดังนั้นมูฮัมหมัดจึงถามพวกเขาสิว่าพระภูมบ้านของพวกเจ้ามีบุตรหญิงหลายคนและพวกเขามีบุตรชายหลายคนครั้งนั้นหนึ่ง หรือว่าเราได้สร้างมาลาอิกะฮ์เป็นเพศหญิงโดยที่พวกเขารู้เห็นเป็นพยานอะลออินนะฮุมมินอัฟกิฮิมละยูลูนวะลัดอัลลอฮ์วะอินนะฮุมละคาซิบุนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขานั้นจะกล่าวความเท็จเท่านั้นจึงกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงให้กำเนิดบุตรชาย และแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้กล่าวเพทอย่างแน่นอนอัสฟาบะนาตอะลาลบะนีมาละกุมไคฟะทะฮ์กุมูนอะฟะลาตะซักกะรุนอัลเลาะห์ส่งเลือกบุตรหญิงแทนบุตรชายครานั้นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้นพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญดูบ้างรึอัมละกุมซุลฏอนมุบีน รู้ว่าพวกเจ้ามีหลักฐานอันชัดแจ้ง فاجوب بكتابكم ان كنتم صادقين ดังนั้นพวกเจ้าจงนําคัมภีร์ของพวกเจ้ามาแสดงหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون แล้วพวกเขากล่าวอ้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพระองค์กับ พวกยินและโดยแน่นอนพวกยินรู้ดีว่าแท้จริงพวกมันจะถูกนํามาปรากฏตัวต่อหน้าอัลเลาะห์เพื่อการลงโทษซุบฮานัลลอฮิอัมมายัศิฟูนอิลาอิบาดัลลอฮิลมุคหลิซีนมหาบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวหา وَنَتَابُ وَنْبَاوُعُ اللهُ قُصُورَ سَنَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا انْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِجُ الْجَحِيمِ يا نَأُوُكْ جَاوْ لَاسِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئ معلوم لا มีผู้ใดในหมู่พวกเราเว้นแต่เขาได้รับตําแหน่งที่ได้ถูกกําหนดไว้แล้ว وا اننا نحن الصافون و اننا نحن المسبحون และแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้เข้าแถวอยู่แล้วและแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้แซ่ซอซะดูดีอัลเลาะห์ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ لقد قاولاء นั้นกุฟฟาตมักกะห์เคยกล่าวไว้ว่าหากเรามีข้อตักเตือนคัมภีอยู่กับเราเช่นเดียวกับหมู่ชนในสมัยก่อนๆแน่นอนเราก็จะเป็นผู้บ่าวของอัลเลาะห์ผู้ซื่อสัตย์ ਤਕਫਰੂ ਬਿਹ ਫਸੌਫ ਯਅਲਮੂਨ ਤਾ ਫੋਕਾਉ ਪਤਿਸੇਦ ਮੈ ਸੱਤ੍ਥਾ ਤੋ ਅਲਕੁਰਾਨ ਲਾ ਫੋਕਾਉ ਕੋ ਚਾ ਦੈ ਰੂ ਵਲਕਦ ਸਬਕਤ ਕਲਮਤੁਨਾ ਲੀ ਅਬਾਦਿਨਾ ਅਲਮੁਰਸਲਿਨਾ ਇਨਨਹਮ ਲਹੁਮੁਲ ਮੰਸੂਰਨ ਲਾ ਦੋਇ ਨੈਨਨੋਨ ਲਿਕਿਤ ਖੌਂਗ ਰਾਉ ਦੈ ਬੰਤੁਕ ਵਾਈ ਕੋਨ ਲਾਉ ਕੈ ਪਵੰਗ ਬਾਉ ਖੌਂਗ ਰਾਉ ਥੀ ਪੈਨ ਸਾਸਨਾਤੂ ว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือว่าอินนัจุนดะนาละฮุมุลกาลิบูนฟะตะวัลลันอังฮุมฮัตตาฮีนวะอบศิรฮุมฟะซาวฟะยับศิรุนละแท้จริงไพร่พลของเรานั้นสําหรับพวกเขาจะเป็นผู้มีชัยชนะดังนั้นเจ้าจงหันเหออกจากพวกเขาชั่วระยะหนึ่งน่ะจงเฝ้าคอยดูพวกเขาเถอะ แล้วพวกเขาก็จะมองเห็นมันเองอาฟาบิอาดาบินายัสตาญิลูนพวกเขาเร่งรีบต่อการลงโทษของเรากระนั้นอื่นฟาอิดานซัลบิสาฮะติฮิมฟะซาอศบาหุลมุนดรีนครั้นเมื่อการลงโทษได้ลงมาที่หน้าบ้านของพวกเขายามเช้าของบรรดาผู้ถูกตักเตือนนั้นมันช่างชั่วชาเสียนึกอะไร وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون لا จงหันเหออกจากพวกเขาชั่วระยะหนึ่งและจงเฝ้าคอยดูเถิดแล้วพวกเขาก็จะมองเห็นมันอีกสุบฮานะรบบิกรบิลอัซซะติอัมมายัสิฟูนมหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อภิบาลของเจ้า พระผู้บานแห่งอํานาจจากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างวัสซะลามุนอะลาลมุบซะลีนวัลฮัมดูลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนสันติจงมีแด่บรรดาศาสนทูตทั้งหลายและการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก